อธิบายถึงเรื่องอารมณ์อารมณ์ของกรรมฐานที่ท่านเรียกว่าอารมณ์อารมณ์เดี๋ยวจะไม่เข้าใจถึงเรื่องอารมณ์อารมณนะ์นั้นมีทั้งดีมีทั้งชั่วที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ นั่นใช้เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี่อารมณ์ที่ทัท่วไปเช่นความคิดความนึกความปลุงความแต่งแม้ที่สุดแต่ความโทมนัสน้อยใจเสียอกเสียใจแล้วดีอกดีใจซึ่งมันติดอยู่กับจิตมันห้อยแสนอยู่กับจิตนั้น กรตัดไม่ได้ละไม่หวางอันนั้นก็เรียกว่าอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ในทางที่ชั่วที่ไม่ดีอารมณ์นี่แหละเป็นอุปสรรคของการภาวนาทาสมาธิเป็นตัวไขร้ายกาดห้ามมัดห้ามผลห้ามพฏิภาน เนั้นในการทำความเพียนภาวนาจยิงจะต้องต่อสู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ียกว่าต่อสู้ฆาสศึก <c oughs> เป็นฆาสศึกเป็นภัยร้ายกาจการสู้ต่อสู้อารมณ์ก็จะต้องเอาอารมณ์มันมาสู้กันอีกเหมือนกัน อารมณ์ทางชั่วเป็นภัยอันตรายแกกความสงบคือสมาธิภาวนาอารมณ์ของคนชั่วเป็นภัยอันตรายแกมกมรรคผลมิพานเรียกว่าสคาวรนิศ น, นิสักขาวรมรขาวรสคาวรมันเข้าทํานองที่ว่า นาำปัดเอาหนามบงครานี้เมื่ออารมณ์ทั้งชั่วเข้ามาพัวพันด้วยกับจิตกับใจทำจิตใจไม่สงบได้แล้วก็จําเป็นจะต้องใช้อารมณ์ทางดีต่อสู้ให้เข้าตรับกระดักที่วาชนะความชั่วด้วยความดีของเรา อารมณ์ใทางที่ดีพุทธเจ้าท่านประเทศไรร้ า, ยายอย่างหลายใน <c oughs> ที่เราพากันอบรมมาทั้งพวงหมดเรียกว่าอารมณ์ในทางดีเอาพุทธคุณมาเป็นอารมณ์จะนึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธสัโมสังโฆอะไรทั้งมดนะ่ะเรื่องทั้งหลายอันนี้นะ่ะ เรียกว่าอนุสติจิตทาอนุสติธรรมาสติสังขารนุสติสีราจาภานุสติมรณาอ น, นุสติอนุสติทั้งหมดทั้งจิบเป็นอารมณ์ทางดีสนหรับจะต่อสู้เอาชนะอารมณ์ทั้งชั่ว นอกจากนั้นอีกท่าน อ, อธิบายควบขวที่เรียกว่ากรรมฐานสีนน่สิทมีมากมายเทื่อธิบายวันนี้นะ่าต้องการยังให้เข้าใจทั้งเรื่องอารมณ์ซึ่งประมาณพูดโดยเฉพาะทั้งเรื่องอารมณ์ใ ห, ห้รู้จักอารมณ์อารมณ์และรู้จักโทษของอารมณ์ คนเราถ้าหากไม่เบื่อไม่เห็นโทษทุกข์ในอารมณ์ก็สลับได้แสนยากโดยมากเข้าใจอารมณ์เป็นความสุขคิดนึกเพลินสนุกไปตามเรื่องตามราวชอบอันไดก็เพลินไปกับอันนั้นชอบทั้งเรื่องเพลงเรื่องขับเรื่องเพลงก็เพลินไปกับขับกลับกับขับกลับศิษย์ ได้ยินแล้วก็เพลินส่งไปนันเรียกว่าส่งไปตามอารมณ์ได้ยินเห็นรูปก็ส่งไปตามรูปปรุงแต่งไปตามเรื่องรูปดีรูปไม่ดีรูปชั่วรูปเลวรูปสวยรูปงามรูปคิเล่กิไลปรุงแต่งไปตามอารมณ์ไม่ตามอารมณ์คำว่า ปรุงแต่งคําว่าส่งไปนั้นเพื่อมันออกจากหลักเดิมจึงไม่เป็นสมาธิ <c oughs> ถ้าหากเราไม่เห็นโทษเห็นน่นเป็นคุณอยู่ตราบใดอารมณ์มันนั่งก็เป็นกาเมคุณอารมณ์มันนั่งก็เป็นกามโทษไอเป็นกา ม, ออกามคุณ ถ้าเห็นโทษเป็นของน่าเบื่อหน่ายทางจิตใจให้พิดมัวเมาลุ่มหลงส่งนอกออกไกลแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วเห็นโทษแล้วสลับได้ง่ายปล่อยวางได้เร็วอารมณ์มีทุกคนที่จะเกิดอารมณ์ที่จะเป็นอารมณ์มาทางชั่ว เพราะว่ตัวของเรามีตัวกิเลสอยู่ภายในความรักความค่ายความชอบใจและความเกลียดคขบกดความยินดีและไม่ยินดีมันมีอยู่ในใจของคนทุกๆคนเห่นนั้นมันยังค่อยเป็นอารมณ์อารมณ์ น, นั่นพูดกันง่ายๆเลยว่าเป็นตัวกิเลส แล้วค้านี้เราสู้อะไรเราชําระอะไรถ้ามันมีกิเรสเพื่อไม่เห็นโทษเราก็ไม่พยายามที่จะทําดีไม่พยายามที่จะชำระจาระเักาิ์พอมีกิเรสเห็นโทษแล้วก็ตั้งหน้าตั้งใจที่จะจะชําระศักาิ์ดีกว่าผู้ที่ไม่เห็นโทษ ผู้ไม่เห็นโทษเห็นเป็นคุณทั้งหมดแล้วก็หมด ท, งทางไม่มีทางที่จะชำระสั่งๆไม่มีทางที่จะแก้ไขเหตุนั้นอารมณ์ทั้งหลายนั้นถ้าหากผู้มีสติปัญญาพิจารณาเห็นโทษไม่ใช่เป็นของเร็วเป็นของชั่วจริงละ่ะอารมณ์ในกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นของชั่วในตัวของเรา คือเราเห็นโท่าแล้วจะต้องสะัะและพยายามกำจัดมันเลยกลับเป็นของดีเลยเป็นเหตุให้เราเห็นไั่ได้ควา ร, รู้ตื่นตัวไม่มัวมอล้วลุ่มหลงลุกพึ่มเพ้อเพื่งเกี่กับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายนั้นมันดีตรงนี้ที่ว่าดีเหมือนัินก็น คนเป็นโรคถ้าไม่มีโรค ก, ก็ไม่มียาเพราะเกิดโรคยังค่อยเสแสรงหายยากำจัดในวิชาพอโรคได้ควบ ร, รู้พอโรคเกิดขึ้นที่เลดมันเผาตัวของคนเราทุกคนได้เคยเผามาแล้วเคยเดือดร้อนมาแล้วเมื่อเราเห็นโทษ ในการที่มันเผาและเดือดร้อนมาแล้วนั้นเราเห็นโทษเห็นภัยเราพยายามที่จะกําจัดเขาผ่านให้มันวอดวายหายไปอาการพยายามที่จะกําจัดให้มันวอดวายหายไปเนี่ยตัวเนี้เป็นตัวปัญญานี่เป็นของดีดีตรงนี้อยู่ที่เฉยไม่รู้เรื่อง จะไม่รู้สึกนึกคิดแล้วไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรด้วย <c oughs> อยู่ด้วยโมหะ <c oughs> วิชาไม่มีว น, นทีแก้ไขจมนานนักแบบนั้นถ้าหากเราเห็นโทษเห็นภัยมันแล้วตื่นตัวรู้สึกนึกคิดได้ระวังภัยต่อไปอาการที่ระวังภัย ไม่ให้มันเข้ามาเผาผลาญฉั น, นดางเราอีก น, ะนั่นกลับเป็นความดีดีเลยกลายเป็นคุณใ้ทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตัวของเราขึ้นมาถึงว่าอารมณ์มีทุกคนทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเหตุที่เรามีปัญญา น้อยเราไม่มีอุบายสามารถที่จะกําจัดไม่ได้ค่อยรบกวนเราอยู่ตลอดเวลา <c oughs> การที่เราพยายามทําความดีและพยายามกําจัดที่เรียนนั่นที่มันทําให้เราเดือดร้อนเป็นทุกขน์นี้ตามภาษาสมมุิที่เรียบเรียกเขาไปเรียกว่า ทำกรรมฐานหรืออีกในหนึ่งที่เรียกว่าเพื่อชาระกี่ดีถ้าพูดให้มันสวยหน่อยเพื่อให้มันงดงามขึ้นหน่อยเรียกว่าตปธ ร, รรมคือการแผดเผาการแผดเผามีหนหลายอย่างถ้าพุทธเจ้าท่านสาธเทศนาไว้ด้วยการเฉลิดฌานคือทำจิตในสงบ เท่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวดังอธิบายมาแล้วคือมีอุบายมีอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานสี่จิตเป็นอารมณ์สำหรับแหกเขาอารมณ์หยาบช้าเร็วชาาเช่นอจุภะเท่งพิจนาของไม่งามก็จะเป็นเหตุให้ไม่ให้หลงมัวเมา ในสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นของสดสวยงดงามเป็นของปฏิคูณโสโครกนาเสืมเสียเราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงย่าพิจารณาเห็นแพ่งเป็นของไม่เที่ยงจะถืออัตตานิฏฐิว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของนของกิรังทาวร์ เรามาแยกแยะพิจารณากายของเราเห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกระจายตัวของเราออกไปก็จะเห็นเป็นแต่สัตว์ธาตุเลว่าดินน้ำไฟลมเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นสอนให้แยกแยะทัดส่วนออกไป <c oughs> เช่นตัวคนเรานะ เป็นได้เตียงสักวัฏไม่ใช่กิเลสคือดินน้ำไฟลมไม่ใช่กิเลสขันคือรูปเวทนาสัญญาทางขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสโลกก็ไม่ใช่กิเลสเวทนาคือความสุขมทุก ข, กข์ก็ไม่ใช่กิเลสเรื่องชื่อของความสุขควทุกข์ไม่ใช่เป็นกิเลสอะไร สัญญาความจำมก็ไม่ใช่กิริยก็เป็นสัจจะว่าจำสังขารของคิดความนึกความปรุงความแตง่งมันก็ธรรมดาจะผ้ามาคิดนึกปรุงแต่งอยู่อินญาณความรู้สึกกับสัจจะวินมีความรู้สึกเช่นเรารู้สึกเย็นรู้สึกแล้วก็เรียกความรู้สึกทีแรงเ ร, เ, เรียกว่าวิญเรียกว่าวิญญาณความรู้สึก ร้อนก็เป็นวินิก็เป็นนิญญาตัศเวร้อนมันไม่ใช่กิเลสอันที่เย็นนั่นเราเข้าไปยึดว่าเราเย็นนั่นต่างหากเป็นตัวกิเลสไม่พอใจนั่นร้อนนั่นเราเข้าไปยึดว่าเราร้อนนั่นต่างหากมันเป็นตัวกิเลสคือว่าถือว่าเราร้อนถ้าหากไปเห็นว่าร้อนนั่น เป็นคิดของไอของเด็กไอของความร้อนของไฟมันร้อนเนะี่ยคือความรู้สึกพอมันสัมผัสเกิด ค, ความรู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าสัมผัสเกิดชาเวทนาท่านก็เรียกว่าสัมผัสไม่ใช่กิเลสถ้าเราเอาตัวเข้าไปใส่ความร้อนในความสัมผัสอันนั้นกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือไม่พอใจ หรือพอใจเหนั้นท่านแยกแยกออกไว้สำหรับให้รู้ชื่อรู้นามรู้ตนรู้ตัวรู้หนา้ารู้ตาของมันตั้งหาไม่ใช่เราจะไปเอาไอา้ักษรรก็เช่นเดียวกันตาหูจมูกร่างกายใจไม่ใช่จิเิ ตาไว้สลับดูมันจะเป็นจิตเดดอะไรแต่ดูไว้ดีอย่างดูใครมีตาก็ดูสิพระพุทธเจ้าถ้ามีตาท่านก็ดูสาวกสงหาถ้ามีตาท่านก็ดูหูนั่นก็ฟังได้ยินเหมือนกันจมูกถูกกินเลี้ยงถูกแลรสมีเหมือนกันรสจัดเค็มหวานเปรี้ยวอาหารที่บริโภคเข้าไปฉันเข้าไปท่านก็รู้เหมือนกันเย็นร้อนแงแข็งท่านก็รู้เหมือนกันหนาวเย็นท่านไม่ใข่ไม่รู้คนไม่รู้ก็คือคนตาย อันนี้ท่านไม่ใช่คนตายคนเป็นดีๆนี่แหละเหมือนกับเราเขาเมื่อเราท่านทั้งหลายนี่แหลแต่ด้วยเหตุที่ท่านเห็นชัดว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นสัมผัสอันนั้นเป็นตาอนนะั้นเป็นรูปอันนั้นเป็นเสียงอันนั้นเป็นหูเกิดความรู้สึกเป็นเพราะสัมผัสท่านรู้หมดเข้าใจหมดเรื่องสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของมัน ถ้าหาไปยืดเข่ามันเป็นตัวอุปท า, านมันเป็นกิเลสตัวกิเลสเนี่ยไม่เห็นให้เกิดโทษทุกข์ท่านเข้าใจชัดอย่างนี้ท่านไล่หมดสายเห็นหมดทุงสิ่งทุกอย่างรู้เรื่องของ <S <S ทุกประการไม่ใส่จะไปยืดเลยตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงไปันไม่ทราบไปยืดไม่มีเรื่องยืดยืดมันก็ไม่ได้แต่ไปยึดเวทนามันก็ไม่ได้ยึดเอาเสุขักทุกข์มันก็ไม่ได้ อย่าไปยึดเอาสัมาษสเอย่าอนอนล้วแข็งมั่งก่อนไงล่ะมันมีแล้วก็ใช้ไปใช้ไปในหน้าที่ของมันนั่นก็หมดเรื่องกันไปรู้จักหน้าที่ของสิ่งนั้นมีจริงว่าให้รู้จักถึงเรื่องอารมณ์ ให้เข้าใจทั้งเรื่องอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่เป็นกิเลสมันเป็นอารมณ์ในทางดีก็มีทางชั่วเสมออย่างเราไปพิจารณาสุขะเห็นปฏิกูลแล้วเห็นเป็นธาตุเห็นมันของตายเป็นตนตายอารมณ์มันเป็นอารมณ์ไม่ใช่เ่องกิเลส ทางเราคิดถึงอดีตอนาคตมันก็เป็นเรื่องอดีตอนาคตมันก็อยู่เพียงแค่อดีดตอะไรพถ้าหากเราไม่เข้าไปเดือดร้อนเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่กิรลถ้าไม่ใช่กิเรสเน้่ตัวคนเรานะ่ยทุกคนมีอายชะนะครบพันบริบูรณ์หมดทุกสิ่งทุงอย่างสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีมั้ยยินดเอ๋มีดีมีช่วมั้ย อ้ า, ากคเลตทั้ทงนี้ถ้าหากไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตัวร้อนมุดเลยถ้าไม่ยึดแล้วก็เป็นสภาวะอิ่มีอยู่เช่นนั้นเกิดอยู่แล่้นดับอยู่อย่างนั้นเมื่อก็หมดเรื่องสบายแล้วไปสู้อะไรแต่ทำอะไรแต่คนเราปฏิบัติทำอะไรสู้อะไรก็สู้อันนี่แหละคือให้รู้เท่าเนี่ยคำว่าสู้คือบอไม่ให้หลงนะคันเป็นหลงแล้วมัน เป็นตัวกิเลสสู้ไม่ให้หลงที่จะไม่ให้หลงก็เพราะมพิจารณาเห็นตามนิดอารมณ์บางทีทําเมื่อวานนี้หรือทําเดียวเดือนแล้วนี่เรือทาเมื่อปีกายนี้อันที่ทําไปแนละ้วเอามาเนื้คิดหรือว่าคิดไปข้างหนาง้าสมพัณนามันจะเป็นอย่างไใ น, น, นเรียกว่าอารมณ์ใช่นหมอันนั้นก็ถ้าหากเราเหตุโทษเป็นของนาววอ้าเบื่อหน่าย เราสลักใช่ไหมแล้วปล่อยวางลงไปเช่ไเอาปัจจุบันคือว่าปัจจุบันที่จะอยู่ได้ก็เพราะมีอารมณ์เหมือนกันอารมณ์อะไรจริงๆอยู่ในปัจจุบันเจ๊จีอยู่ได้เขียนถึงพิาจารณาถึงธาตพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เราเป็นเหตุพิจารณาทั้งเรื่องเป็นของหน้าเกลียดแะเบื่อหน่ายเราเป็นทาสของมันมันใช้เรามานมนานมันมาคับเราใช้เรามาหัววัดหัวเวียงหกปั้นหัวเวียงมาว้เจกิดเท่าไหร่นี่มันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแกเราเลยนี่เป็นใช้เราล่างฝัน เมื่อเราเห็นโทษเช่นนี้ก่อเป็นเหตุเราลึกถึงเรื่องที่เรายอมเป็นทาสของมันอ้อเรื่องเป็นทาสของของเป็นอย่างนี้มาหาคุณสุขไม่ได้เองหลงมาอย่างนี้เองนั่นเรารู้ในที่ว่าเราเป็นทาสยอมเป็นทาสนนะแล้วคราวนี้เราจะให้มันพ้นจากทาสด้วยเหตุที่เราไม่ยอมเป็นทาสของมัน ที่จะไม่ยอมไปทา่ามันก็เพราะมารู้เรื่องรู้เท่าเห็นโทษเห็นภัยการเป็นจริงมันจะกลับเป็นตัวปัญญาให้เกิดวิชาความูฉลาดทิจใจแล้วก็กล้าหาญราออวิธีนี้เองที่เป็นเที่ทําให้เป็นอิสระคนจะท่าของเขาคือวิธีนี้เองแล้วก็จะได้ยึดมั่นถือมั่นในอุบายนะ รักษาอุบายนั้นพิจารณาต่อไปนี่ว่าถึงเรื่องอารมณ์ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติภาวนาไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็น อ, อะไรให้พจน่สตุก็จับอะไรไม่ถูกอย่างการศึกษาเราเรียนทำในไหนการฟังธรรมคำสอนของพรรธัจฟังอุบายที่เทศต่างๆ เราจะศึกษาให้รู้เรื่องทั้งหลายเรื่อง น, นี้แหละไม่ใช่นั่งรับตาพอนายจใจมันเป็นไปเลยทีเดียวเป็นได้เแ็นยากเป็นได้ก็เมืรู้เรื่องอีกเหมือนกันไม่เจ้าประเทศเสมอเห็นนั้ น, น, นผู้ที่ภาวนาได้ทํากรมเทียนทั้งหลายเมื่อไปเห็นอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาได้ความแปลกประหลาดนั้นะเป็นถือว่าเป็นของดีของดีเลยเข้าไปหลงยึดลงถือสิ่งนั้นเป็นมั่นเหมาะซะเลย แต่เพราสิ่งนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่นขอไม่จริงเป็นของปลอมนานๆ น, น, น่าเข้าก่อมันเสื่อมสูญไปใช่หรือขอนั้นไม่ใแของจริงเลยอันนี้ก็เลยน้อยใจเสียใจเกิดรวมความเข้าแท้อ่อนแอ น, นการปฏิบัติว่าดีถึงขนาดนี้ก็ยังเล้วไหลไปได้ดีทั้งขนาดนี้จริงถ้งขนาดนี้ก็เสื่อมสูญไปได้ อันนี้ก็เป็นของจริงแล้วมันไม่ใช่ของจริงนี่มันของเลอะเหลวว่านี่แอ้พ mm. วก น, นี้ซื้ก็เลยนึกคิดตัวเองว่าเริงนะผม ว, ว่าปฏิบัติ์ทางปองมันไม่มีอะไรดีเห็นแล้วของเลอะเหลวไปงนาดก็เลยเสือ่อมเราเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจอย่างเพื่อไม่รู้เรื่องพปายในการอาธิบายวันนี้ก็เพียงอธิบายเพียงว่าอารมณ์มันเดียวเท่านั้นไม่ใช่อื่นไกลทุกๆคนเป็นเจนาเดีวยวถึก หมายควาว่าอารมณ์นัหมายค ว, วสิ่งใดความคิดนึกหรืออะไรต่างๆเถอะเที่ยงไปติดอยู่ในใจของตนจะละไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้อันนั้นเรียกว่าอารมณ์อันนั้นคือตัวภัยใหญ่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือไข่ของสมาธิภาวนาอันนั้นคือเรื่องกิเลสอันนั้นเป็นเรื่องวัฏตะ อันนันเป็นเรื่องวนเวียนสงสารอันนั้นแหละเป็นเหตุที่จะให้ภบชาติยืนนานมันมีที่สิ้นที่สุดถ้าใครชําระลงไปได้ทันทีทันควรหรือว่ามันชาลงไปหรือว่าไม่มีอะไรติดเลยแล้วก็ยืนยันตนได้สัตส์จริงตนได้แตถ้าหากว่ามันชําระลงไปได้เออเขเรียกว่าใกล้เข้ามาล้วเราจะ การโวนเวียนของเราหรือการท่องเทีย่ยวของเราเรียกว่าสั่งเข้าไปถ้าได้ทันใจเรื่องมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาตัดศีลได้ปล่อยวางใดล้วก็เชื่อมนนันในแก๊งตนเออใกล้เข้ามาที่สุดยังไม่ทันหมดแต่ว่ายวนที่หมดแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีเลยอะไรมัาครอบก็ลปล่อยวางคือความรู้เท่าเบื่อหน่ายเห็นเท่าษอยว่ตลอดเวลา เราไม่ยึดถือเอาเป็นอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้เราไม่ยึดเราไม่ถือเรารู้เท่าเข้าใจตามจริงๆวางปล่อยวางรรวทำเฉยจะเป็นสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมนั่นเรียกว่าเราเข้าถึงสภาวะธรรมมันก็มีเรื่องที่จะสืบต่อต่ อ, ตอไปการรู้เท่าเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อที่อธิบายไปในวันนี้ก็เพียงอารมณ์มาเดียว เพจาะฉะนั้นก็ขอทุกๆคนพิจารณาดูเพราะมีอยู่ในดวงของตนทุกคนแล้วภาระนชาัสตาสตว์ปัดเปลอมระงับดับสูดแล้วว่าเป็นฆา้าศึกยภายในจึงเรียกว่าเทวปฏิจจารทียยเดียวอะระหะโตผู้ไกลจากกิเลสหรือว่าเป็นผู้หักเสื่อซึ่งคงตรรมแห่งสังสารวัชก็คือหมายความว่ามันไม่วนคือมันไม่ต่อนจริงมันหักตรงเพียงแค่ไห น, น สังสารวัฏคือสิ่งที่อารมณ์ใช่ไหมลบกวนมันไม่มีมันมาแล้วก็หักตรงทันทีพระโกศุมาก็หักตรงทันทีนั้นเรียกว่ามันหักอง์กรรมแห่งสังสารวัฏคําว่ากรรมก็คือว่ากรรมลดกรรมล่ อ, อ ก, กรรมเกวียนนั่นเองมันมีเครื่องยันกันไว้ล่อเกวียนมันจะ่ค่อยหมุนถ้าอง์กรรมมันหักไปแล้วมันก็หมุนไม่ได้ อารมณ์ทั้งหลายถ้าหากเราเห็นโทษเห็นภัยทอดทระปล่อยวางหักวงไปได้ทันทีได้ควรมันก็ไม่มีการที่จะหมุนต่อไปมันก็หยุดนิ่งนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการจะปรนะกานาเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็จะพากันอบรมตนพุกธผลตนให้เข้าถึงตรงนั้นจึงจะเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไพกาลดังอธิบายมาก็ด้วยเปลืกาอะไรแบนี้